بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد مع آل ه وصحبه وأنتبعهم بإحسان إلى م د ي ن ثم سلام عليكم ورحمة الله وبركات سورة ا ل ت و ب ي ع ن بقفي ن و م ي سورة ที่บันทึกประวัติศาสตร์และบทเรียนช่วงท้ายชีวิตของท่านนบีสุลลัลละเลวิอุสันยัมีบทเรียนจากหลายเหตุการณ์แล้วหลังไปอายะก่อนหน้านี้นะคํบคืออายะที่อิยิบีที่อัลลอฮสุลฮฺะตอวะต่างนได้ให้ท่านนบีสุลลัลละเลวิอุสันละมัตระถะอนนี้ ความสำนึกภายใต้สำนึกของผู้ศรัทธาซึ่งกำลังเป็นพลเมืองใหม่ในสังคมผู้ศรัทธาใหม่ๆให้ความจงรักภักดีต่อรัตนะ์นั้นเป็นที่ตั้งเหนือกว่าความสนิทสนมหรือความเลื่อมใสต่อบิดามารดาญาติพี่น้องเครือญาติเผาพันุ์ มิสหายตลอดจนทรัพย์สินธุรกิจการทำ ม, มหากินทั้งสิน้นเนี่ยให้ความทรงรักพักดีตลอดได้มากอ่อนซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับอายะทัดมานอายสิบห้าที่จะยกอุทาหนจากสงครามอุนนายนสงครามฮุนายน เกิดในปีที่8อิจรัสสกราัตรงๆนี่เกิดวันที่10เดือนชาวาลปีที่8อิจรัสสกราชหลังสงครามพิชิตมะกาสงครามพิชิตมะกาเดือนรอมฎอนประมาณวันที่1 6 7 ช, ช่วงตน้ตนๆของเดืนดอนรอมฎอในช่วงกลางๆเดืนดอนรอมฎอน น บ, บีประสบความสำเร็จในการพิชิตเมืองมักกะเพราะอย่างที่บอกมามักกะเป็นเมืองหลวงของขาบสมุทรอาหรับและอยู่ในดวงใจเป็นศูนย์กลางอของของชาวอาหรับในหลายด้านด้านเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดด้านศาสนาก็ถือว่าเป็นสุดยอดของเมืองศาสนาเพราะมีกาบา อิทธิพลและบารมีของเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในคาบสมุทรอาราบนี่มักกะมอนกันแล้พออับดบีวิชิตมักกะแล้วเนี่ยทุกบารมีหรือเผ่ า, าที่เขายังยังมีความยิ่งใหญ่ของเขาอะนะต้องเสียวใช่ไหมีมสมมติสมมตินะครับว่า ถ้าตาลิบันไปยึดแคนาดาอย่างเงี้ยอเมริการู้สึกยังไงแน่นาะท้องเสียเลย <c oughs> อำนาจอำนาจบา ร, รมีของเผ่าที่ยิ่งใหญ่เมืองที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วเผ่าอื่นที่โอ้หมายถึงว่าเป็นคิวไงว่ามันจะเป็นคิวก็เลยมีการรวมตัว บรรดาอำนาจเมืองที่รองจากมกาเนี่ยรองมาจากมกาเนี่ยมีอำนาจบา ร, รมีของเผ่าอาหรับรวมตัวกันส่วนมากก็จะเป็นพวกพวกเผ่าฮาวาซินและกะัสกีฟส่วนมากเขาอยู่ตออิฟและอยู่ช่วงอำนาจเขาเนี่ยลามไปถึงคาบสมุทรอาหรับหลายพื้นที่นะถ้าถือว่ารองจากกุเรชเลยอะรองไปเลย รวมตัวกันจะได้มากําจัดความเติบโตของท่านนาบีอยาก่าว่าจะไปบุกมักกะเนี่ยท่านนาบีสั่งรอรอเร็วๆแล้วก็เลยตัดสินใจตัดสินใจที่จะไม่รอให้เขามาถึงมักกะนะให้ให้เดินทางไปหาเขาแล้วก็ไปเจอกันตรงกลางระหว่างตออิฟกับมักกะ ในพื้นที่เขาได้กันในซึ่งพวกข่าวารและ ก, ะกษัตริยนี้ยกทัพสองหมห้าพันในประวัติศาสตร์อาหรับนี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีกองทัพขนาดนี้คือเขาบอกคือทุ่ ม, ท, มทุ่มที่สุดเลยใครถือดาบได้นี่มาเลยไม่พอนะสองหมื่นเอาครอบครัวของเขาทรัพย์สินของเขาใครมีครอบครัวมีทรัพย์สินเนี่ยพามาด้วยทําไม ให้เขาไอ้เขาต่อสู้ที่สุดไงไปนี่ว่าถ้าตายแล้วนี่ก็คือตายทั้งครอบครัวทั้งทรัพย์สินนี่ก็ไม่เหลือเลยเขาจะได้ยิ่งยิ่งมีเอ่อ ม, มีแรงแรงบันดาลใจหรือใจบันดาลแรงรวมแล้วนี่นะครับยกทัพและทรัพย์สินเนี่ยพากับาครอบครัวรวมทั้งแนี้แปดหมื่นชีวิตนี่ครับสมุดอรับนียตระก้อนนุบมาชกรนเนี่ยไม่ดีขนาดนั้น ก็เหมือนกับมาม า, มากันทั้งมากันทั้งเพย์มาหมดเลยอ่ะทั 8, 000, 000. ้งแปดหมื่นทรัพย์สินละ่ะเขาบอกว่าอูเดยงเดียวเนี่ยอูดนะ่ะอูดนี่เป็นหมื่นตัวแพะเนี่ยเป็นแสนตัวนั่นคือทรัพย์สิสนทรัพย์สินของเขาเขาบอกว่าแต่ก่อนนั้นมันมีดินาร์และเดีร์ฮัมนะดินาร์นีวกทองคำเดิยร์ฮัมนี่ก็คือเงิน เขาพาธิรธรรมในพวกเงินเนี่ยเงินเงินจริงเงนี่ยไม่ใช่ธนบัตรนะเงินนะพาเงินมาเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมกับมากบยกตู้เซฟมาหมดเลยนะสับสินมาหมดสับสินที่สําคัญของเขาเนี่ก็คือปศุสัตว์ตัวก่อนนู้นอะ่ะอาหรับนี่ส่วนมากก็ใช้แลกด้วยปศุสัตว์แพะตัวหนึ่งไปซื้อหมดซื้อนมซื้อผักซื้อซื้อข้าวสาลีเนี่ยเาเนเลี้ยงแพะกี่ตัวเลี้ยงอดูด อุดกี่ตัวนี่ยก็ไปเนี่ยไปแรกกับส่วนมากกันนะท่านก็จะเห็นว่าเงินทองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ท่านอบีโซลลลอฮฺอะลัยอูสัลลัมได้มาพิชิตมักกาในหนึ่งหมื่นคนจากเผ่าต่างๆทั่วเข้าวโสมุตอาหลัมนะพอพิชิตมักกาแล้วนี่ก็สมทบอีกสองพันคนจากคนที่รับอิสลามใหม่ๆรวมทั้งหมดเนี่ยกองทัพของท่านนะบีนหนึ่งมพันคน ช่วงแรกของสงครามสซาฮาบะได้สซาฮาบะบางท่านเนี่ยดเฉพาที่รับอิสลามใหม่เนี่ยรู้สุกรรู้สึกฮึกเพราะตอนที่เข้ามาพิชิตมักกานี่หนึ่งหมื0นคนเนี่ยโอ้โหสานานหวั่นไหวแลวคขับสมุทรอาหรับนี่ทั้งหมดเล ย, เยได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการของกองทัพท่านนาบีมุฮัมมัดและสซาฮาบะห น, นึ่งมืนคนนี่ ได้มาสมทบอีกสองอีกสองพันหนึ่งสองพันคนโอ้โหและหนึ่งหมคนนี่พิชิตเมืองใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและนี่มาเพิ่มอีกหมื่นพันสบาบางท่านนี่ก็เลยบอกว่าละนู่นเซมูเลียวมาเป็นกินแล้ววันนี้เนี่ไม่มีทางหรอกที่จะมาอ้างว่าเราน้อยลและและจะแพ้ไม่ไ ม, ม, มีทางจะแพ้เขาข่มด้วยความความมากความมากของกองทัพของเขา ปรากฏวยตอนประทะกันช่วงแรกของสงคารามเนี่ยไม่ได้เตรียมเนื่องจากมีจุดอ่อนหลายอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับในเรื่องสงคารามเนี่ยอันนี้แค่บอกเขาข้าวก่อนที่จะอ่านแล้วก็อธิบายเราจะได้เห็นภาพรวมก่อนเราเริ่มสงคารามเนี่ยเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายแล้วก็คนที่รับอิสลามมีจํานวนที่เขไม่ไม่มีจุดยืนเลยอะนะเพิ่งรับอิสลามใหม่ท่นานนบีเอามาก็จะได้ไม่ไมาอยู่ที่มักกะและคิดคิด ไปสูงกระบฏพอเพิ่งรับอิสลามไงพอนับบีออกจะไปไปไปนั่นนะเอ้ยสบายแล้วเอากระบฏนบบีก็เลยพามาหมดไอ้ที่พามานี่ก็ไม่เคยมีจุดยืยนพเพราะบอิสลามใหม่แล้วก็หนึ่งหมนคนนี่ก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเขา้เาเยอะแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้จ ะ, จะแพ้ได้ไงขนาดมักกะนี่เอาเอาอยู่ <c oughs> พอพระทะทะกันนะ ก็ทงช่วงแรกนี่ก็ในในพื้นที่เนี่ยมันพื้นที่ลำธารเขาเนี่ยในเป็นลำธารเป็นเป็นพื้นที่ราบระหว่างระหว่างพื้นที่สูงภูเขาหลายลูก mm. พวกเอ่อฮาวาซินแล้วก็สกีฟเนี่ยเขาเขาเป็นคนท้องที่เขาก็รู้รู้ความลึกลับของพื้นที่เขาก็เลยเตรียมซุ่มอยู่ใน อ, อ, อยู่ในภูเขา แล้วพอกองทัพของท่านนาบีเริ่มบุกแลก็ยิงธ น, นูเพราะยิงธนูแล้วเน่ตกอกตกใจกันเลยแลช่วงแรกในสงครามนี่พ่ายแพ้ถอยกันถอยกันเป็นแถวเลยแต่หลังจากนั้นท่านนาบีสูร้รลล้วยอะไรอยู่เสนา ล, ลังก็เลยยืนหยัดในสงครามแล้วก็บุกเข้าไปหาศัตรูแล้วก็เรียกชาวอันซอร์ชาวมุฮาจรีนชาวต้นไม้ ชาต้นไม้รู้ไหมที่เขาสัตยบันกัท่านนาบีว่าจะถวาชีวิตนั่นนะ่ะแค่นั้นนะพวกนี้ก็เลยมาร่วมด้วยกับท่านนาบีกระบุกพอกองทัพเห็นว่าเออเริ่มบุกอีกแล้วเนี่ยเขาก็เลยตามไปซึ่งคนที่จะนําหน้านี่คือท่านข้อดิมิวารี ด, ด้วยสรุแลนะ้วตอนท้ายนี่ก็ชนะชนะสงครามแต่ตอนแรกนะแทบจะไม่รอดแทบจะไม่รอดละสุบฮานะว่าอะไรก็แล้วอุตตาหอนี้มาจาริกไว สำหรับพลเมืองซึ่งพลเมืองนี่ก็ก็ถูกเกณฑนไปทหารไปเป็นทหารปกป้องแผ่นดินปกป้องอาณาจักรปกป้องสังคมดินแดนของเขาใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นการสั่งสอนพลเมืองและสมาชิกกองทัพที่ปกป้องแผ่นดินว่า ผู้ศรัทธาที่เป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยจะไม่พิษวงหรือไม่หลงกับวัตถุไม่หลงกับงบประมาณไม่หลงกับอาวุธหรือความมากยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากลระสุภานุวาราเป็นที่หลักเป็นที่ตั้งและตำาหนิงลลเมืองที่คิดว่า ปรเทชาติบ้านเมืองของเขานี่จะเจริญด้วยวัตถุอย่างเดียวด้วยความมากอย่างเดียวในสายตาของศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีค่าแน่นอนสตังก็มีค่าทุกอย่างวัตถุมันก็มีค่าแต่ถ้าหากว่าเห็นค่าของวัตถุนี่มันเหนือกว่าค่าของของหลักการหลักธรรมคำสั่งสอนนี่นะไอไอไอไวัตถุเหล่านี้มันก็จะไม่มีความหมายมันก็จะไม่มีค่ามันจะ م ن ج ت ْ ه ُ م ْ ن ي ه ي م ْ و َ م ا ي َ ل م ُ و ن َ ا ي ل ن َ و ا ل َ ع ْ ل َ ا ن َ و َ م ا ي ع ل و ن َ و ا ع ل م و ن ا ل َ م ن ا ي ل َ م ن َ و َ م ا ي َ ل م و ن َ و ك م ا ي َ ع م و ن و م ي م ن َ و َ م ا ي َ م ك ث ر ت ك م ف ل م ت غ ن ع ن ك م ش ي ئ ا و ض ا ق ع ل ي ك م ا ل َ ر ض ب م ا رحبت ث م و ل ي ت م م ب ر ي ن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على م ن يشاء والله غفور رحيم. زم أيان ي زم خن كاب كاب سون كام حنين. نعم نحن نراجع تبايع ละเอ ات معاو. เราได้นำสัตว ah ์ ي م งพระองค์ในมณฑลนี้ค่จริงอัลลอได้ส่งช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบอันมากมายหลาสนามตั้งแต่สงครามบัตาก็ช่วยเหลือช่วยเหลือมาโดยตลอดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้หเราไม่ลืมบุญคุณบุญคุณของพัะช่วยเหลือมาโดยตลอดช่วยเหลือทั้งทั้ที่ขอหรือไม่ขอเนี่ยเราก็ช่วย คือมนันมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกั น, นที่เราต้องเข้าใจคนเรานี่บางทีนี่ความช่วยเหลือของพระนี่มันไม่ได้อยู่ในบริบทหรือในแผนเลยจนกว่าจะจนปัญญามันทางมันตันมาทาอะไรไม่ได้เฮ้ยแกก็ขอด้วยอาสิเพิง่งเพิ่งจะขอหนะ่ะเพิ่งจะขอ รู้อา์เนี่ยเออก็มาเีประทานตัวอัลลอฮ์เนี่ ย, ลลยจะมาทีหลังทาทุกอย่างแล้วไม่มีลูกเฮ้ยแค่ไปทำอุปรดิเฮ้ยธุรกิจมันไม่ว่าทำบุญดิตสตอก้อเนี่รรยเพิ่ ง, เ พ, งเพิ่งนึกมีบางคนบางคนนะ่ไม่ไม่ไม่ใช่คนดบางคนเนะี่ยเป็นแบบนี้เราจะจนปัญญาทางมันหมด วิถนะีทางที่จะที่จะรอดจึงจะนึกถนะึงนะ้องาวแลจะมี bad, ะคําพูดบางบางคําพูดเนี่ยคนเขาจะพูดอาจจะไม่ได้เจตนาอะไรแต่บางทีเนีน่ยมันก็อาจจะเสียมารยาทเพราะเราพยายามทุกอย่างโอ้ลหผมทําทุกอย่างที่ผมสามารถทําได้แล้วอย่างอื่นที่ขอให้พระองค์จัดการให้อัที่จริงแล้วเนี่ย Allah จัดการให้หมดแหละแม้กระทั่งที่เราทํำมันก็ Allah พูดจัดการให้ นี่นี่เป็นเรื่องสำคัญนะว่าที่เราทำเนี่ยแล้วก็ น, นึกว่าเออมันกูเก่งอนะ่ะกูก็ต้องทำของกูก่อนเพราะกูเก่งไนงะแล้วมองว่าความช่วยเหลือของอัลลอ์นี่น ะ, ะ I, I ้สุดท้ายแล้วกันเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจตนาอาจจะไม่ได้จินตนาการแบบนั้นแต่คำพูดนี่มันฟ้องเหมือนไปหาคนรวยวก็ที่จริงเนี่ยผมก็ไปตรงการตังของท่านล็อก ผมก็ไม่ได้ร้อนอะไรหรอกแต่ผมก็พยายามแล้วว่ะนะแต่ไม่เหลือนอกจากตังของท่านนะขอแล้วกันะขอแล้วกันเฮ้ยอย่างนี้ไอ้คนที่จะให้เรายืมตังนี่เขาจะมเฮ้ยนี่ น, น, นี่นี่มาขอหรือมามามามาเหยียดหยามเนี่ยก่อนที่จะสั่งสอนก่อนที่จะก่อนที่จะบอกว่าเราช่วยเหลือในสงครามฮอรไนน์น่ะนะ Allah บอกว่าเราดั้นศรักี مواطن เราคืออีเรอ a l ช่วยเรามาเลวแต่เราอับละไงซะมากมาอีวัยอุมาฮูน์ละวันฮูไนน์ด้วยละในวันแห่งสงครามฮูไนน์เรียกว่าฮูไนน์เนพราะตำบลนั้นนะชื่อฮูไนน์ใกล้มักกะฮ์ใกล้นนนใกล้กับตำบลเจีวิรรอนะเียวิรอห์นี่นะเป็นมีกอดของชาวมักกะฮ์เนชาวมักกะฮ์นี่ หรือคนที่มาอาศัยอยู่ที่มักกะหรือคนที่มาจากต่างถิ่นจากมักกะเนี่ยแล้วก็มาพักอยู่ที่มักกะอย่างเราเนี่ยคนไทยนี่ไปมักกะไปทาําองค์รอดทาเสร็จแล้วหรือทำฮัทเสร็จแล้วแล้วอยากจะทําองค์รอดอีกอะไรเงี้ยก็ให้ออกไปที่เยาะร้อนนะสำหรับเขาจะเรียกรอนนะนี่เรียกจริงๆนะตามสำเนียนสำนวนสำนวนภาษาหนังสือเนี่ยเยาะรอนนะก็ต้องออกเน เยาราเนก็คือนอกขอบเขตฮอร์มถัดไปนิดหนึ่งกับเขาในถัดไปนิดนก็ไปต่ออฟิฟแล้วต่ออฟิฟเขาบอกว่าหอ น, น์ไนีนก็ห่างจากมักกะประมาณ2ี่สกิโลและในบีเดินทางจากมักกะไปฮอ์ไนเนกยี่ิกิโลช่วยเหลือพวกเจ้าสนามรบมากมายมาแล้วแล้วอันหอนน์ด้วยให้รู้ ช่วยเหลือตอนไหนอะอินขนอิช่วยเหลือหมายถึงว่าความช่วยเหลือนี่มันถูกประทานลงมาขณาขณะอะไรอะการมีจำนวนมากมายของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าพึงพอใจความช่วยเหลือมันมาเลยเพราะตอนที่พวกเจ้าเนี่ยพึงพอใจต่อความมากมายจำนวนของทัพของพวกเจ้านี่ ทำให้พวกเจ้านี่ไม่มีการเตรียมตัวไม่มีความสามารถพิเศษเหนือกว่าศัตรูแน่นอนภายแพ้ความอ่อนแอของพวกเจ้านี่พอมันเกิดขึ้นส่วนมากนี่ความอ่อนแอเนี่ส่วนมากนะมันก็เกิดจากความอ่อนแอของจิตใจและความแข็งแกร่งส่วนมากก็เกิดจากจิตใจญี่ปุ่นแพ้สงครามโลก ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นไม่มีอาวุธแล้วไม่มีกองทัพแล้วไม่ตอนนั้นนะ่ะนะตอนนั้นนะ่ะกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะถึงขนาดที่ญี่ปุ่นที่สามารถข้ามข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรนี่ไปยิงอเมริกาเนี่ยในในบนแผ่นดินของเขาเลยแต่อเมริกายิงนิวเคลียร์ไปสองลูกเสียชีวิต เสียชีวิตหลายแสนคนซิ่งในสงครามโลกกันนะญี่ปุ่นและอร ม, มันเนี่ยก็สูญเสียไปก็เนี่ยนะเป็นแสนนะไม่ใช่หลักหมื่นนะสูญเสียคนเป็นแสนทนะหารละค น, นะเป็นแสนนะแต่นี่มาสูญเสียในเวลาเพียงหชั่วโมงตายไปสามแสนคนอันนี้มันเป็นทฤษฎีของของแม่ทัพอเมริกาเขาบอกว่าเราจะไม่ สามารถเอาชนะญี่ปุ่นด้วยด้วยการทำสงครามคือต้องต้องทำให้ช็อกคือต้องทำให้จิตใจเขาสะเทือนน่ะญี่ปุ่นเห็นคนตายเป็นแสนแล้วก็ความสูญเสียในสองเมืองสำคัญของเขาแค่แต่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีแค่สองเมืองสองเมืองนั้นก็ไม่ใช่เมืองหลักด้วยนะแต่เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมเหมือนกันที่สะเทือนนี่ก็คือก็คือ ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นความสูญเสียนี่เขาไม่ไหวแล้วผู้นําแม่ทัพเขาจะบอกว่าเอาอเรายัางสู้ได้ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนี่ความพ่ายแพ้นี่มันเกิดจากมันเกิดจากความอ่อนแอทางจิตใจเีอรมันนะ่ะนะอเมริกากับอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ใช้อาวุธธรรมดาเครื่องบินเนี่ย กวาดล้างเมืองเยอรมันกวาดล้างกวาดล้างซึ่งความสูญเสียนี่ก็ไม่ไม่แพ้ของญี่ปุ่นนะเมืองบางเมืองไม่เหลือเลยอะคนอาคารเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ฮิตเลอร์นี่ไม่ยอมไม่ยอมือเอเยอรมันเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้แพ้เพอยกธงขาวเหมือนญี่ญปุ่นนี่ปักยกธงขาวเลยนะเยอรมั น, นไม่เยอรมันต้องรอฮิตเลอร์ที่ตายก่อนมา ต้องประกาศว่าเจอศพขาฆ่าตัวที่เขาบอกว่าฆ่าตัวตายนะมันมีกีฬายหนึ่งที่เขาบอกว่าหนีไปอยู่อาร์เจนตีนาแต่อันนั้นเลอะเทอะไม่ต้องเลอะเทต้องเจอศพนี่จะเหมะครับทหารเยอรมันนี่ไม่เอาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพอประกาศว่าผู้นําของเขานี่ตายแล้วว่านะคนเยอรมันที่เป็นนาซีที่เป็นคนที่มีอุดมการณ์นั้นนะเขาก็ไปไม่ได้แล้วฉะนั้นจุด เริ่มต้นของความเสียหายนี่มันก็คือการเริ่มต้นของความอ่อนแอท้อแทะมองทางตันไปไม่รอดนั่นนะ่ะมันไม่ต้องรอให้มาแพ้จริงภายแพ้จริงๆรนเะมันแพ้มันแพ้ที่ใจใจก่อนผู้ศลาก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปแหละความแข็งแกร่งของผู้ศลานี่ก็อยู่ที่อิมา อยที่ความเชื่อความหวังในพระเมตตาในความช่วยเหลือจากคนถ้าอันนี้เนี่ยมันมันอ่อนลงไปเนี่ยเนี่เราก็ซุดซุดตั้งแต่นี้เป็นสุดตั้งแต่ ต, ตรงนี้เลยโดยเฉพาะสงครามระหว่างเรากับเชตตอนมันเป็นสงครามต่อเนื่องสงครามที่ไม่มีวันหยุดสงครามกับศัตรูนี่เดีก็หยุดเดีวก็มีเดี๋วก็มาดี๋วก็ไปใช่ไหมั่วศัตรูของมนุษย์นะศัตรูที่เป็นมนุษย์ แต่ที่เป็นเชตตอนที่เป็นนักสูนนี่มันไปนสงครามต่อเนื่องทุกวินาทีทุกนาทีตลอดเวลาและเชตอนต้องการอะไรอันเดียวต้องการให้เราอ่อนแอจิตใจของเรานี่อ่อนแออ่อนแอยงไงอะ่ะ <c oughs> ที่เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันจะทําให้เราเนี่ยไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากนอกนี่เรื่องสำคัญเรื่องเนียยสําคัญ ทำให้เรารู้สึกในความเก่งกาจของเราในความสามารถของเราลืมความช่วยเหลือจาก Allah s u b h จงบอกช่วยเหลือพวกเจ้าทุกสนามรบนะหัวในนะตอนไหนอ่ะอิศอิศอาราเบตกุมขณะการมีจํานวนมากของพวกเจ้าทําให้พวกเจ้าพึงพอใจแฝลัมทุกนื้องกุมเอียในความมากมายเนี่ยมันก็มีได้อานวยประโยชน์ แกพวกเจ้าแต่ยังไงลาตุกเนี่อังกุมใช่ใช่เออแต่ยังไงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหนึ่งม่นสองพันคนนะช่วยอะไรไม่ได้ที่ช่วยได้นี่จนวนเล็กน้อยจากมุจญีจำนวนเล็กน้อยจากอังซอร์จนวนเล็กน้อยจากชาวต้นไม้ท่านนาบีเรียกเสีย <c oughs> เสียงท่านนาบีเนไม่สามารถเรียกกองทัพทั้งหมดให้กองทัพได้ยินทั้งหมด นื่องจาว่ากําลังพายแพ้หนีกันนะ่ะเฮยเฮ้ยเราตัวรอดเฮยเฮยตายแล้วฮะแล้วก็บอกว่าจุดจุดที่มันทําให้มันมันจุลมุนน่ะนะกองทัพในมีคนที่ขี่อูดแล้วก็ขี่มา้าพอหนีกันนะ่ะนะลองนึกภาพอนะและมีคนที่เดินเท้าใช่ไหมคนที่เดินเท้าเนี่ยวิ่งหนีอูดเนี่ยก็ห น, นีม้านี่กันห น, นีลองนึกภาพดิ เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานแล้วก็เจอด่านเคยเห็นไหม <laughs> เคยเจอไหมโอ้โหแต่ส่วนมากกันนะไอรถนี่หนีไม่ได้หรอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่นี่ก็เหมือนกันม้า ก, ก็หนีอูดก็หนีคนที่เดินเท้านี่ก็หนีนบีเสียงเสียงนบีนี่ เรียกใครก็ไม่ได้ยินนบีก็เลยให้อัลอาบบะซิบญะอัลมุตติลิบนักประวัติศาสตร์ที่ว่าว่าการเสียงของเขาเจ๋วอรี่เสียงของอัล บ, บาสเนี่ยดังถ้าอยากจะรู้เสียงดังๆแบบไหนเนี่ยเคยได้ยินเสียงพวกอิห ม, มัมมัสิดฮารอมนะนะคนที่เสียงเข้มๆขมที่สุดเนี่ยชื่อเชฟซูดอัลชูรม นอกจากนั้นนะอิมามพวกนั้นนะนะอิมาคนอื่นนั้นอันนั้นน่ะเหมือนผมอ่ะอาศัยอาศัยอำนาจใหม่ใหม่เี่ว่าถ้าเขาพูดเสียงธรรมดาเนี่ยแบบแต่เชคซอัดนี่เนี่ยนี่อ้พวกอาหรับวเคยเห็นเคยเห็นเชคซอดตัวย่อนตัวใหญ่แลวดูคอนี่ยีเนี่ยอาหรับพวกนี้น่ยบางทีนี่ผมยังเคยเจอต่อกรนู่นเนผมเรียนที่ซาอุดีนะ ครูคุณซาอุดีบางคนน่ะตอนยืนแถวอ่ะโรงเรียนเนี่ยคนเป็นพันน่ะครูบางคนเนี่ยใช้เสียงไม่ได้ไม่ใช้ไมเลยเนี่ยใช้เสียงนี่ได้ยินกันทั้งโรงเรียนเลยท่านนบีสัง่งเลย อ, อ่ะ บ, บ้าสเรียกโอ้ชาวต้นไม้โอ้ชาวมุฮัมมัอัลกุรเนี่ยพอเรียกพอเรียกแล้วนี่เนี่ยคนก็เลยสวนกลับมาอีกแล้วความที่มันความที่มันยากอะเพราะมีคนคนที่หนีนี่เป็นส่วนมากแล้วคนที่จะ สนองคําเรียกของท่านนาบีเนี่ยเป็นส่วนน้อยก็จะกลับมานี่ก็ยังยากอีกก็ต้องใช้เวลาแต่ความพยายามของของกลุ่มที่จะรีบอ่าเพราชาวอัสซาดมุฮัจญรินบางท่านนี่พอได้ยิ น, พ อ, ยนพอได้ยินเสียงนบีเรียกแลบเบกแลบเบิกเออร س و ูอัลลอฮ์ AH. ฉันได้ยินแล้วนี่ยดมานี่มาแล้วมาแล้วเนี่ยรีบแสดงว่าที่ที่จะกลับมาช่วยท่านนาบีแล้วก็ทําให้ ทำให้กองทัพของมุสลิมเนี่ยมาก่อตัวกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปบุกกองทัพของโน่นนะอีก 25,000 น้านะไอเนี่ยจำนวนน้อยนะจำนวนน้อยเนะ่เซเนี่ยจาก1มื0 0สองนี่ก็น่าจะรวมตัวกันสักสักสองพันคนทำไมอ่ะเพราะอุลมามะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าชาวต้นไม้อย่างเดียวอ่ะนะที่ปลายอัสสัลตัยบันนบีเนี่ยก็พันสี่ ก็พันสีละต่ชาวอังซอปหน่อยชาวฮยรีนหน่ยเนี่ก็สักอีกสักหอนี่กสักสองพันจากหมื่นสองอย่างที่อัลลอฮฺบอกเลยพระดตุกลุมไอ้ความมากมายของช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยสรุปที่ช่วยได้นี่ก็คือสองพันหัวกะหักะทินะสองพันที่ไปสู้ก็สอแล้วบากนดวยสองพันเนี่ย ที่ไปเริ่มสู้กับสองหนี้นี่น่ทำให้สองหมนห้าเนี่ยก็กระจจมหนีไปอีกพอกองทัพทินของมุสลิมที่หนีไปเนี่ยพอเห็นพวกรุ่นหนีเนะ่ยก็เลยกลับมาแต่กลับมาหลังจากที่สองพันนี่เขาได้ได้ทำให้สงครามนี่ทวงดุลให้ให้ย้อนมามาเป็นชัยชนะของของมุสลิมแล้วแสดงว่าความมากมายนี่ไม่ได้ช่วยอะไร อะไรที่ช่วยได้ความศรัทธาจุดยืนความความแข็งแกร่งของของสภาพจิตใจเราได้ได้เล่าถึงความอ่อนแอที่มันไม่สามารถช่วยเหลือผู้ศรัทธาได้ในทุกสถานการณ์ความมากมาไม่ช่วยและไม่ได้ล่มดุกนิฮังกุรชอนินนิงว ض าก ة ต ل ي ك م ا กุ ر ض ب ِ م ا รَ ح ُ ب َ ت ْเลัตแผ่นดินแคบแก่พวกเจ้าแผ่นดินมันแคบ ทันั้่มันก็มันก็ไม่ได้แคบแต่คนเน่ยเวลาเวลารู้สึกไม่รอดนะเขาจะรู้สึกเป็นดินแคบไม่รอดไม่รอดก็รู้สึกว่าแผ่นดินน่ยมันแคบแคบหมดแหละบ้านก็แคบใจก็แคบดูในสุรสำนวนเนี่ยในท้ายท้ายของสุรอัตตวะนี่ก็จะมาอีกครั้งหนึ่งสองสามคนที่ ไม่ยอมไปที่ฮัดกับท่านนาบีในสวนคำตะบุกและท่านนาบีสั่งให้บอยคอร์ดเขาก็เลยรู้สึกเขารู้สึกเสียใจมากที่เขาได้ได้ทิ้งท่านนาบีไว้เนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกเขาว่าราะกะตาไลอูอาริฮิมอัมฟุซูมและจิตใจเขานี่แคบแคบลงเขารู้สึกแคบทั้งทั้งที่เขาก็อยู่ที่มดีน่าเนี่เป็นเมืองที่กว้างขวางบ้านเขาก็กว้างขวางเป็นคนที่มีฐานะแต่เขารู้สึก มันแคบมันถูกกดดันไปหมดความแคบนี้มันคือสำนวนอธิบายสภาพของคนที่ตกตกอยู่ในสภาพทุกข์และลำบากมันจะรู้สึกแคบคนโมโหคนขี้โมโหขี้รำคาญเขาจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนใจแคบไม่กว้าง คนขี้เหนียวคนตะหนีตะหนีที่เหนียวก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนใจแคบคนที่อารมณ์ดีมองคนอื่นว่าเป็นมิตรกันทุกคนนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อาฆาตกับคนอื่นถูกเรียกว่าใจกว้างคนจนไม่มีอะไรที่จะต้อนรับแขกที่จะเลี้ยงแขกแต่เขา ตอรับอย่างดีเขาบอกว่าคนนี้ใจกว้างถึงแม้ว่าแบนบานเขาแคบเรื่องกว้างแคบเนี่ยมันมันแค่มันแค่สมมติมันแสดงถึงอะไรที่อะไรที่แคบเนี่ยแสดงถึงอะไรที่มันไม่ดีที่ที่ที่ที่กำลังจำกับชีวิตอยู่กว้างมันก็คืออะไรที่มันมันสุนทรีมันสวยงามถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นรูปธรรม เราบอกว่าการได้คุมมันอาจดูบีมาระหบัตและแผ่นดินก็แคบแกพวกเจ้าทั้งทั้งที่มันกว้างอยู่บีมาระหบทมันกว้างอยู่มันแคบลงอใช่ดิทุกคนเนี่ยเอาตัวรอดอยากหนีใช่ไหมขี่มากขี่อูดวิ่งเท้าเปล่านี่ก็อยากจะอยากจะอยากจะหนีให้ได้แต่เจอไอ้ข้างหน้านี่ไอ้นี่ก็จะหนีไอ้นี่มันก็เลยแคบลงพอตัวเองเนี่ยเห็นแก่ตัว เนแกนตัวอิหม่ามอิมตีเมียแกออกพฟะตัวอะไรที่ผู้ผู้ปกครองไม่พอใจหรืออุลามาพวกผู้วักษาไม่พอใจว่ามันสวนทางกับแจรีตที่เขาที่เขาตัดสินอยู่ตัดสินกันอยู่เนี่ยสั่งเข้าคุกเลยเขานึกว่าอิห ม, ม่ามอิมตีเมียจะไปอยู่ในคุกในห้องแคบเนี่ก็จะบังคับให้เขาเปลี่ยนจุดยืนแทัศนคติ มีอม่ยาเกลยบอกว่าไม่สนวอาจะมีรอไม่ีสัตรุษนี่จะทาอะไรกับชั้นอันซีจนีข้อรการสั่งเข้าคุกนี่นะมันถือว่าเป็นขลอรมันเป็นโอกาสดีสำหรับข้าพเจ้าจะได้ทำอไมบบได้แล้วระลึกลกถึงอัลลอฮ์อย่างสงบวันฟีซียาถ้าทนในประเทศล่ะไม่ ไม่ติดคุกนะในประเทศเลยว่าถ้าในประเทศนี่ก็เสียค่ะก็ถือว่าออกไปดาว่ะทางศาสนาแสดงว่าสมหรับมุสลิมนี่มุมมองของคนอื่นต่อสถานการณ์เนี่ยมุสลิมไม่จำเป็นต้องมองเหมือนเขาเสมอนะจะไม่มองว่าความร่ำรวยว่าว่าเป็นเรื่องที่ดีเสมอไม่มองว่าความยากจนนี่คือความลำบากเสมอ ไม่มองว่าอยู่บ้านเล็กๆนี่มันมันก็คือความอึดอัดเสมอและไม่ได้มองว่าอยู่บ้านที่กว้างขวางเครือหัดใหญ่โตนี่ว่านั่นคือความร่ารวยที่สุขสบายเสมอไปมุสลิมต้องต้องปรับความเข้าใจตรงนี้ให้ดีไม่จำเป็นมีภรรยาที่สวยที่สุดแสดงว่าจะมีความสุขที่สุดไม่เสมอไปมีสามีที่หล่อที่สุดรวยที่สุดแสดงว่าสุขความสุข ที่สุดเลยก็ไม่เสมอไปเพราะสำหรับผู้ศทธานี่มันมีอย่างอื่นที่มันมันปรับมันปรับปรัชญาอมของผู้ศรัทธาบางคนในฟังข่าวของตู้หาวนี่โอโ้ถ้ากูเป็นตู้หาวนี่กูจะฉลาดกว่ามันน่ะมันจะได้ไม่โดนจับโอ้โหนี่มีแค่รถทัวร์นี่เป็นร้อยโอ้โหยกหมู่บ้านนี่เหมาหมู่บ้า น, น่ะหลังละสามสิบล้านเนี่ยจ่ายเงินสดเนี่ย คนพวกนี้นะี่ยต่อกอนู้นนะ่ะระดับประลัดอธิบดีรัฐมนตรีระดับใครแต่ใครเนี่ยเวลาเวลาไปเนี่ยไม่ต้องผ่านเลขานนะพวกนี้เข้าตรงเลยไนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันเนี่ยมันอยู่ในคุกเลยมึงโอ้โหพวกนี้ขายกู้หมดเลยนะขายไม่มีใครไม่มีใครเอาไว้เลยนะทกขายเลยหมดเลยอนะไม่เหลือเลยนะเลี้ยงมันเลี้ยงนาฬิกามากี่เรือนแล้ว เห้ตังค์ไปกี่ล้านแล้วเลี้งไม่เชื่อมโอต้องต้องคิดไงซึ่งมาวันเลยตัมุดวีรีนอันนี้นะเจ็บเยอะมีความเยอะไม่ช่วยช่วยอะไรไม่ได้แผ่นดินกว้างกลายเป็นแผ่นดินแคบไปหมดอันนี้มันเป็นทัศนะวิสัยคืออะไรที่มันเยอะแต่เยอะมันใช้ไม่ได้ฮะ Alat itu m e n c e a n g ini mencekam wisai. Allah temni mencekam wisai, tetapi semasa Allah itu memberi, ini temni petikan tumpul. Lepas itu, mereka berlari. Ini menyakitkan, ini menyakitkan, menyakitkan sehingga sampai seorang sahabat yang berada di posisi tertinggi, Utsman ibn Affan. เพราะในช่วงนั้นนะช่วงที่ชนลมุนนะ่ะนะก็ทุกคนเนะี่ยไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยก็คือถอยไปก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจจะนหนีนะถอยไปก่อนจะได้ตั้งหลักไม่ได้หนีแต่นื่อจากว่าตอนนั้นนะ่ะก็คนเป็นเป็นหมื่นนะ่ะหนึ่งในนั้นน่ะก็คือเตอนอัสมาในเนียรอัฟฟานถอยไปจะได้ตั้งหลักถอยไปจะได้ดนะูว่าีอยู่ไหนจะได้เออจะไ ด, จะได้จะได้มามาจัดแถวใหม่หนีซาฮาบ้าหลักๆเนี่เป็นอย่างนี้แต่อัสมาโดนกล่าวหาว่าหนี เพราะอันนี้มันเจ็บที่สุดไงคนที่ไม่หวังดีกับท่านอุสมาเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้เนี่ยมามามาม า, มาตำหนิท่านแต่ท่านอุมาเนี่ยไม่ได้หนีไม่ได้ห น, นีในวิธีสงครามนี่ก็มี ม, มีการฟารุนหัวกรรุน ก, ก็คือแกลง้งหนีจะได้บุกต่อแกลง้งหนีจะได้บุกต่อทําท่าว่จาจะหนีอัศวินในบางทีเนี่ยทำท่าเหมือนจะหนีนะก็พอไอ้น้ำมันเพลินก็ปันน่นปั่นทันทีแล้วก็ อันนี้มันมันเป็นวิถีทางสงครามทางทางสู้รบอัสมาห์นี่แต่คนที่ไม่หวังดีตอนที่เขาจะกะบฏอัมาห์เนี่ยก็ เ, เลยเอาเรื่องนี้เนว่ดมาโจมตีท่านอัมาห์เพราะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ใครโดนข้อกล่าวหานี้เนี่ยโอ้ถ้าสมัยอาหรับนี่ไปสงครามและหนีโอ้คล้ายซามูไรนะโดนข้อหานี้เนื้อ่าตัวตายเลย คือมันมันมันเป็นอัปยศที่ทำให้เขามาของหน้าคนอื่นไม่ได้เนี่ยนักรบบ่นักรบบห น, นีได้ไงอ่ะแต่นี่มันเป็นข้อที่จริงที่อลอสสุภ า, น, านุวตาละเตือนสติพวกเจ้าพึงพอใจในเรื่องความมากมายพวกเจ้าเนี่ยพึงพอใจว่าเออมีอาวุธกะะ็เยอะมีสมรภูมิกว้างขวางแต่พวกเจ้านี่ไม่ไม่มีไม่มีความพึ่งพาในความช่วยเหลือจากอลสสุภานวตา วันล่ทุ่มมุดบีรีน ว, วันไล่ทุหันหลังคำว่าวันลคือหันหลังไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ทำดีคนที่หันหลังเนี่ยว่าคนที่หันหลังอย่างเดียวอย่างที่บอกวิธีในสู้รบนี่หันหลังแป๊บหนึ่งแล้วก็หันไปสู้ต่อไม่นี่วันไล่ทุ่มมุดบีรีนมุดบรนนี่ก็คือก็คือหนี ในบันทุกขออิมอามอัลกุบ <c> บ <oughs> ท่านอับดุลลอฮฺซเดลัมได้บรรทุกหนึ่งในบาปใหญ่หนึ่งในบาบใหญ่หอัลฟิรารุมินัซฮ์หนีสงครามหนีสงครามนี่หมายถึงว่าเมื่อปะทะแล้วเนี่ยหนีสงครามเป็นบาปใหญ่ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่อันอันเป็นวัยิบเป็นเป็นเรื่องจําเป็นเท น, นี้ไม่ได้ อันนี้เราเข้าใจความหมายคร่าวๆ ข, ของอายาณี่นี่มาดูรายละเอียดของสงครามนี่มันเป็นอย่างไรมักกะอยู่ตรงกลางระหว่างเนี่ยิดดานี่ใครจะไปทำร้อนก็ต้องไปลงสนามบินจิดดานี่ต่อไอ้ยู่ตรงนี้มักกะอยู่ตรงนี้มดีน่าจะอยู่ข้างบนนี่นบีได้ยกทัพมามักกะมาพิชิตมักกะหนึ่งหมื่นคนนี่พื้นที่ของชาว ฮาวาซินละสักีฟเมืองหลวงของเขาเนี่ยคือตออิฟนี่คพื้นที่เนี่ยตอฟิฟอยู่ตรงนี้มักกาอยู่ตรงนี้ท่านนาบีพอพิชิตมักกะแล้วเนี่ยพวกฮาวาซินละสักีฟซึ่งมีบารมีนี่พอเขาเห็นมักกานี่ถูกยึดไปแล้วพวกฮาวาซินสักีฟบอกว่าโอ้อย่างงั้นเราไม่รอดสิเพราะถ้าท่านนาบี พักผ่อนเสร็จแล้วนะเขาก็ต้องยกทัพมายึดตออิฟโดยเฉพาะตออิฟนี่มีมีบาพกรรมมีมีเวรกรรมอยู่เมื่อไหร่หน่นะต่อกอที่นบีจะ อ, อพยพไปมาดิน่านี่นะนบีก็ไปเมืองตออิฟไปเสนอตัวจะได้รับอิสลามและช่วยเหลือท่านนบีในการเผยแพร่ อ, อิสลามปรากฏว่าผู้นำของเนี่ยผู้นำสกีฟเนี่ย เผ่าใหญ่ที่ดเนี่ยสกีฟนี่ยสกีฟนี่มันใหญ่กว่าฮวาซินนะแต่ฮวาซินเนี่ยมันมีบทบาทเนื่องจากว่ามีนักรบก้าหารชื่อมาลิก <c oughs> ชื่อมาลิกเนี่ยเขาเสนอตัวเป็นแม่ทัพแล้วตอนนั้นสกีฟไม่มีตัวไม่มีไม่มีคนจะนําสงครามเขาก็เลยยอมให้ให้ฮวาซิ น, นี่ ม, นมันมีบทบาทแต่ที่จริงเนี่ยสกีฟนี่ใหญ่กว่าฮวาซินใหญ่หลายเท่า และทรัพย์สินของเขานี่ยก็เยอะกว่าแต่ท่านนบีตอนไปเสนอตัวเนี่ยไปเสนอกับเผ่าที่รองจากกุเรชเนี่ยก็คือสกิฟสกิฟสกิฟใหญ่กวใหญ่กว่าชาวชาวอสลกร์ที่มาดีน่านเนี่ยอส์นี่ที่อยู่ทมาดีนที่เป็นชาวอัอรที่ช่วยลท่านนบีสกิฟนี่ใหญ่กว่านะจะเทียบให้พี่น้องได้เห็นภาพเมืองเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือกทม ใช่ไร่องมาฮะไ ม, ไม่ในด้านไรไ ด, นนนะกกด้ตอนนี้เนี่ยภูเก็ตตอนนี้ใช่แต่ก่อนหน้านี้ฮะฮะไม่ใช่พัทยาพัทยานาครเป็นเป็นมหานาครด้วยนะพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก่อนนู่นะ คนทั่วโลกเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักไทยแลนด์น่ยไม่รู้จักแบงคอกแล้วก็รู้จักพัทยาแล้วเขาลงสนามบินเนี่ยเขานรียกว่าถึงพัทยาแล้วก็ยังพัทยาอีกนู่นอีกไปอีกะไปพัทยาพัทยาผมมาเจออาณาบงคนน่ะเขาถามว่าเป็นคนที่ไหนบอกว่าไทยแลนด์อ๋อพัทยาไม่ใช่กูไม่ใช่พัทยาแล้วแอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยภูเก็ตภูเก็ตนี่รายได้นี่เยอะกว่าพัทยาแต่ก่อนนู่นในพัทยารองจากกรุงเทพนั่นน่ะตะกอนตนู่นน่ะ เมืองหลวงนี่คือมักกะเมืองท่องเที่ยวของชาวอาหรับเนี่ยคือตออิฟทำไมอากาศดีที่สุดในครับสวนทั้งหมดเนี่ยพอตอรอนี่สูงอากาศดีที่สุดผลผลิตสวนผ ล, ลไม้พืช ผ, ผ, ผลนี่เยอะที่สุดตลอดทั้งปีเลย อ, ยอากาศเขาอากาศเขานี่เป็นอากาศเย็นทั้งปีเลยแล้วเป็นเมืองแบบเป็นเมืองที่ในในในพื้นที่ที่ทะเลทรายแต่เป็น ตอหวันเป็นเมืองที่มีฝนตกบ่อยอากาศเขาดีแล้วก็มีมีเกษตรแต่นะมีมีเก ษ, ษตรนะที่ไม่น่าจะเกิดนอกจากประเทศเย็นที่มีอากาศที่ดีก็คือต่ออินเนี่ยดังไหนแต่ไหนแล้วตั้งแต่โบราณ น, น่ะนะดังในเกษตรปลูกดอกกุหลาบกุหลาบนี่คือไดินได้ยินพวกดอกไป้เนี่ยก็ต้องพวกฮอแรน์อะไรพวกเนี้ยนะ ต อ, อิฟนี่ขึ้นชื่อระดับโลกนะกุลาบของต อ, อิฟนี่หัวน้ำหอมของกุลาบเนี่ยดังมากเเป็นเมืองร่ำรวยมากต อ, อิฟอา <c oughs> นาบีเนี่ยคิดจะไปหาใครร้องจากกุเรชเนี่ยยังไม่ได้ไปมาดีนะนะร้องจากกุเรชไปตออฟไปหาพวกสกีฟก่อนสกีฟก็ไม่ได้ตอนรับเพราะรับซิกมาจากกุเรชาวางนาะนี่ก็เลยสั่ง สั่งให้พวกเร่รอ น, นให้กว้างขวา ง, วางอินให้ไล่ท่านนบีดาทอท่านนบีท่านนบีก็ต้องการสั่งสอนด้วยก็เลยก็เลยเห็นว่าไยของเขาเนี่ยสกิฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารอให้ท่านนาบีเนี่ยพื้นตัวจากการวิชิตมักกะเขาก็ต้องเตรียมตัวไปบุกต่อไป พวกนี้ก็เลยบอกว่าไม่เราต้องไปบุกเขาก่อนยังไม่ทันพ้นเดือนรอมฎอ น, นแสดงว่าประมาณสมสัปดาห์เพราะในวิบชิตประกาเนี่ต้นเดือนรอมฎอนรอมฎอนแรกก็เชวาเลยไงต้นเดือนรอมฎอนผ่านไปสามสัปดาห์ <c oughs> วันที่ 5, ห้าสกีฟพาวาซินนายกทับแหละนบีพอรู้แล้วเนี่ยก็ลังเลี่ยระหว่างสองทางเลือกหนึ่งรอสกีฟเนี่ยให้มาถึงมักกะกา จะมีความเสี่ยงว่าคนที่รับอิสลามใหม่ที่มั ก, การเนี่ยยังไม่แน่นอนยังไม่ยังไม่ชัวร์ถ้าเขาเห็นว่าเอ้ยมีไอ้พวกส ก, กีบมันมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีคนที่แปลงร่างจากจากที่แอบอ้างมาเป็นมุสลิมกลายเป็นพวกมุนาฟิกซะแล้วเหมือนที่มาดีนั่งไงที่พวก มุนาฟิกนี่เคย เ, เคยไปช่วยพวกยิวแล้วก็พวกกูเดสตันมาบุก ม, มาดีน้าเนี่ยมันก็เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ถ้าอยู่เนี่ยมันก็จะกลายมีมันเหมือน อ, อมันเหมือนไส้ศึกไส้ศึกในเมืองมักกะที่จะช่วยเหลือพวกซัคีฟมาทายังไงดีก็ยกทัพไปเลยแล้วก็เอาพวกเนี้ยพวกที่น่าสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นไส้ศึกเนี่ยพาไปด้วยซึ่งส่วนมากก็ นักประวัติศาสตร์นี่เขาเรียกกั น, นกตุลกอตุลกอเนี่ก็คือคนที่ไม่ยอมรับอิสลามตลอดจนนบีพิชิตมักกะคือคนที่รังแกท่านนบีคนที่ทรมาณ น, นบีแล้วสหาบยนี่แล้วพอนบีพิชิตมักกะแล้วเนี่ยนบีก็รวมเรียกมารวมตัวกันหน้ากบาบ้าแล้วก็ถามว่าคิดด้วยฉันจะทําอะไรก็ก็บอกว่าท่านก็เป็นพี่น้องของเราเป็นญาติพี่น้องของเรานบีก็เลยบอกว่าอินฮาบุฟันตุมุตตุลกอ ฉันจะปล่อยพวกเจ้าปล่อยให้เป็นอิสระตัวละก้อไปว่าอิสระให้อภัยให้เป็นอิสระคำว่าตัวละก้อในพวกอิสระก็วพวกที่ท่านอบิปลดปล่อยเขาไม่เอาเรื่องไม่ลงโทษกับเขาซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จํานวนไม่น้อยอะนะที่คือรับอิสลามเป็นไฟบังคับจํานวน ไม่น้อยนะที่รับ伊斯兰เป็นไฟบังคับเพราะทำไมอ่ะพออยู่กันตั้งแต่นับบีเทศนาน่ะ20ปีนะตั้งแต่นบีประกาศส伊า兰ที่มาการ์นี่ไม่เอานับบีเงี้ยงไม่เอาไม่เอาแล้วก็ยังยังต่อต้านท่านนบีด้วยโอ้พอนบีไปมาดิน่าเนี่ไม่เฉยน่ะไปไล่ล่าท่านนบีไปตามที่มาดีน่าอีกผ่านไปแล้วนี่8ปีแล้วก็สิาปีเท่าไหร่ละยี่สดปี ยี่สิบเอปีเนี่พ่อหนบีว่าพิชิตมา ก, กา a นี่ถึงจะยอมแพ้ยอมยอมแพ้เป็นไฟ บ, บังคับแต่มีหนะ้าที่ไม่ได้รับอิสลามนะพราะนบีไม่ได้ยังไม่ได้บังคับไงนบียังไม่บังคับตอนนั้นน่ะอย่างที่เรารู้กันนะ่ะว่านาบีเริ่มที่จะให้โอกาสสี่เดือนเหมือนที่เราอธิบายตอนต้นของสุลต่านบอกให้โอกาสสเดือนซึ่งช่วงนั้นน่ะก็มีคนที่ยั ง, ย, งยืนยันว่าไม่รับอิสลามยังยืนอยันว่าไม่รับอิสลาม บางคนนี่นบีก็ต้องเอาไปด้วยซึ่งมีอยู่สองคนเป็นพวกข้าอาวุธชื่อดังหนึ่ง น, นั้นนะก็คือนซฟานอิบนูอูเมียลูกของอูมียอิบเนอูมิบเนลฟอมยอิยบนุัลฟ น, น, นี่เป็นผู้นำกเรชคนดังคนที่ทรมานเอ่อทรมานซุมาียะและ้วก็ยาซิรแล้วก็ฆ่า ฆ่าซุมัยย응ะแล้วก็ทรมานลูกชายเขาเนี่ยก็คืออัมม่ารับดุยาเส้ด้วยอุมายะอับนุลขลัดมีลูกอุมายะอับดุลขลัดมีชีวิตในสงครามบัดร ล, ลูกชายเขาเนี่ยซอฟวานเป็นคนสตีของกุรชข้าอาวุธอย่างที่เคยบอกพี่น้องว่ากุรชเนี่ย ที่หวงแหนนะไม่ยอมรับอิสลามเนี่ยเพราะอะไรเพราะคําสั่งสอนของอิสลามเนี่ยมันทําให้ไอ้พวกเรษฐีเนี่ยมาใช่ธุรกิจสีเทาน่ะผมนี่ราคาญมากเนี่ยไปหาว่าไอ้ตู้เท้านี่สีเทามันไม่มีเทาเลยน่ยมันดําทั้งนั้นน่ะไม่มีเทาเลยนะมันผิดกฎหมายชะฉัอนะฟอกเงินในไม่เทาน่ะไม่ใช่เทาน่ะเป็นเป็นผิดกฎหมายนานาชาติข้ามชาติน่ะ ฟอกเงินนี่เนี่ยเาตามมาเขาตามจากทั่วโลกเลยนะเทาได้ไงเาเท า, ทานี่คือกฎหมายนี่เอาผิดไม่ได้มันต้องหามุมหมาเออยาเสพติดเนี่ยอันนี้นี่หลักข้อหลักนะยังเรื่องว่าเทกายินเทาอูเรชเนี่ยดอกเบีย้ยโซเปนีขายเจเวท ทำไมอ่ะทุกคนนี่มามากานี่มามามาต่วมาทอมรรอันี่นะก็ต้องบูชาเวิต ด, ด้วยขายเจวิตปลดอกเบี้ยโสเพนี่พอเดินทางมาทำอมรรอดนี่ก็มาเที่ยวด้วยเออแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ทาอมรรอแล้วก็เที่ยวคืนด้วยแล้วก็เต้นแดงเนี่เต้นแดงเนี่เต้ น, ตนสโสเนี่นะ่ก็อยู่ ร, บ ร, บ ร, บ ร, บรบอบรอรอบรอบกาบ้านนี่เนะี่ยหากินกันเนี่ยค่าอาวุธหนึ่งซค่าอาวุธ ข่าวอาวุธตก่อนนู้นนะข่าวว่าในใครเผ่าไหนอยากจะไปอยากจะไปบุกเผ่าไหนน่ดยอีกเผ่าในเมืองนัฉันจัหังค่ะมันอ ย, อยู่อยู่ก็ใชาธุรกิจนี้เนี่ยน บ, บีก็ต้องเอาซาวนไปด้วยแล้วก็จําเป็นก็ต้องต้องขอซื้ออาวุธหรือเช่าอาวุธจากซาวนเพราะน บ, บีรู้ว่า สกีฟแต่ราวาซินีมากัน2 5 5 0 0 0้และท่านอบีมีมีหม0่น อ, องพันุ้มันก็ต้องคือต้องให้มีน้ำหนักในด้านอาวุธบ้างเ่อเลยไปขอซื้อและกระเช้าอาวุธจากสะฟรนสะฟรนก็ถามว่าเพราะนาบีชนะไงชนะสงครามพ่ชิดรมากกแล้วสรฟอนเปรียบเสมือนชเชลออยอะแต่นบีฮะปล่อยแล้วไงก่อนะให้อภัยแล้วไง ท่า น, นนี้เป็นลูกศัตรูชักการของท่านนาบีนะออกมายุนคอข้ารับข้าซาพ่อเขานี่ข่าซาฮาบาไม่รู้กี่คนตัวเขาเองก็ข่าซาฮาบะไม่รู้กี่คนแล้วในสงครามต่างๆแต่นบีให้อภัยไงแต่พอพิชิตมากกาะกล้วเนี่ก็กลายเป็นคนแบบว่านาบีมีบุญคุณต่อเขาเพราะนบีไปขอยืมอาวุธไปทําสงครามทติสตีฟสงครามคั้นในเนี่ยเข า, า, า, นนาก็บังคับอ่ะถ้ามันอยกับบังคับปะ นบีบอกว่าไม่เช่าแต่ต้องมากันท่านทำไมอาะตจะอยู่ที่มักกะนี่แล้วเป็นพ่อค้าอาวุธแบบนี้นะนก็เสี่ยงอันตรายเสี่ยงอันตรายนบีก็เลยต้องพาพวกนี้ไปด้วยตัดสินใจพาพวกนี้ไปด้วยนี่คือตัวไปด้วยนี่คือตัวอย่างของพื้นที่โคนันแบบเนี้ยพื้นที่ราบแบบเนี้นะแล้วก็จะมีภูเขาอยู่ ล, ล, ล้อมรอบเก็เรียกว่าดีว่าทีไปว่าลําธารลํา ฐานนี้ก็เวลาฝนตกนี่นะ้ํามันก็จะมันก็จะไหลนี่คือพื้นที่ที่มีบารมีของพวกฮาวาซินและกสัสติฟ น, นี่ทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าสมาชิกเผ่าของเขานี่เนี่ยอยู่ในพื้นที่นี่ก็คือนี่คาบสมุทรอาหรับนี่เยอะทั้งหมดเนี่ยคาบสมุทรอาหรับก็ถือว่าใหญ่นะและมา ก, การ์ล่ะเออมา ก, การ์นี่ มันมันเป็นอำนาจเกือบทั้งหมดของคาบส ม, มุทรอาหรับมีอย่างต่อก่อนนู้นนะ่ะอาหรับนี่ถ้าจะมีตลาดนัดนะ่ะนะตลาดนัดแบบแบบแบบเอ็กซ์โปอะไรเนี่ยเขาใจเอ็กซ์โปนะหมายถึเป็นตลาดใหญ่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมหากรรมขายของใหญ่ๆอ่ะนะก็ต้องรอให้ละอุมรอนี่แล้วก็ไปจัดตลาดนัดตลาดนัดรอบๆมักกะนี่นะ เพราะอะไรเพราะอาหรับนี่ก็ยังไงทุกปีเนี่ยก็ต้องมาหามักกะไม่มีเมืองไหนที่เขาจะมารวมตัวกันนอกจากที่หมักกะบารมีของมักกะนี่มันอยู่ในจิตสํานึกของอาหรับทุกคนเลยแม้กระทั่งตะก่อนนู้นนะ่ะพวกนักแต่งกลอนนะ่ะนะพวกนักกวีเนี่ยนะซึ่งตะกอนนู้นก็เทียบกับสื่อในปัจจุบันนะสื่อนี่เจ้าของสื่อนี่ในอดีตอ่ะ น, นะก็คือนักกวีพอแต่งกวีบทหนึ่งอ่ะนั่นนะ่นนนะ ถ้ายกย่องใครในคนนั้นกนกัดดังตลอดชีวิตถ้าโจมตีใครในคนนั้นอัปยศทั้งชีวิตเลยสื่อเนี่ยมันปัจจุบันนะแต่ก่อนนันกกวีนี่ยท้จะแข่งกันนะว่าใคร ก, ก่อนของเขาเนี่ยใครแต่งสวยกว่าใครก่อนใครที่แบบว่าสุดยอดกว่าใครเนี่ยเขาจะไปแข่งกันในช่วงฮาละอองรอบเหมือนกัน แล้วก็กรอนของใครเนี่ยที่รับชัยชนะถูกยกย่องจากทุกคนเนี่ยก็จะไปถูกแขวนที่กาบาทําไมต้องที่กาบาเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของศูนย์กลางของของข้าพรมุสลิมนี่นะครับนี่คือวันที่ฮานยเนี่ยที่นิภาพจําลองนะนี่หานายอยู่ตรงนี้นี่กองทัพของฮาวาซินสกีฟอยู่ตรงนี้นี่กองทัพของท่านนบีอยู่ตรงนี้ช่วงแรกเนี่ยนะครับกองทัพของท่านนบีเนี่ยก็เข้ามา จะได้มาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงกลางอ่ะเพราะเพราะเพราะอันนี้มันเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปเข้าไปหากองทัพของของสตีฟและฮวาซินก็ต้องเดินทางในลําธารที่ก็เรียกว่าอุนไนน์ตรงนี้พอเข้าไปเนี่ปรากฏว่ามีทหารของเอ่อสตีฟและเฮวาซินเนี่ยซุ่มตัวอยู่อยู่ในต้นไม้ใน ในในภูเขาเนี่ยแล้วก็ยิงธนูยิงธนูยิงใส่กองทัพของท่านนาบีสหายบ้าที่ที่นำร่องเนี่ยเขาก็ตก อ, อกตกใจกันแล้วก็วิ่งหนีนช่วงแรกของสงครามหนีกันก็เหลือท่านนาบีสลต่านสุลามีเหลือท่านนาบีคนเดียวท่านนาบีก็เรียกเริ่มเรียกสหายบา้า ให้ก่อตัวกันอีกทีหนึ่งก่อตัวกันอีกทีหนึ่งจะได้มาเริ่มต้นทาสงครามใหม่และตอนนั้นนะ่ะพอเขาเห็นกองทัพของท่านนาบีเริ่มหนีแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกเรียกแม่ทัพมาชื่อมาลิกเนี่ยมานําทัพจะได้บุกกองทัพของท่านนาบีแต่พอมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ากองทัพของท่านนาบนยบีได้ได้มีความสงบลงแล้ว มีความแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วแล้วก็รวมตัวกันอีกแล้วแล้วก็สามารถสามารถไปสู้ไปสู้กับกองทัพใหญ่ของของขาวิลและสตรีฟอัลลอ์สุภาหนะาวใจแหลได้พูดถึงบุญคุณอย่างต่อเนื่องที่อัลละ์ประทานแก่ผู้ศรัทธาบอกว่าทั الله ้ันี้อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาซึ่งความสงบใจจากพระองค์ ความสงบใจสกีนะาเนี่ยสกีนะเนี่ ย, กกยมันมาจากรากศัพท์รากศัพท์ในภาษาอับกฤยสักกานะสักกานาแปลว่านิง่งหรือถ้าจะแปลให้มันเข้ากับภาษาไทยแล้วก็เข้าใจง่ายๆอยนะอัลลอฮฺให้นิ่งๆแล้วเนี่ยเวลาเวลาสั่งสอนใครที่กำลังคือกำลังโมโหโ ห, หรือกำลัง อยู่ในสภาพที่วิตกกังวลเฮ้ยแกนิ human, ่งนนิก่อนนิ่งนิเราไม่ค่อยใช่เฮ้ยสงบกันสงบก่อนเราใช้คว่าเฮ้ยนิ่งๆก่อนนิ่งามันมันคือสงบเนี่ยสงบเนี่ยมันมันอธิบายยากแต่นิ่งอะนะหมดเลยร่างกายมันนิ่งนิ่งจริงๆริะหมายถึงเฮ้ยใยับเยอะยะเยอะ อย่าให้ม <widely sauna doctor ate> ีป <myst> ฏ <icism listed> <as> Get <gettable> ิกิริยาฟุ่งเฟื่อยนิ่งๆต้องนิ่งกว่าหัวใจก็ต้องนิ่งนิ่งทำไมนึ่งวะอย่าวิตกกังวลอย่าตกใจอะนิ่งๆอันเดียวเลยนะสกีน่าเนี่ยมาจากสการะสักการะเป็วันนิ่งทุ่มม์อัลลอฮฺสกีนัตฮฺุสกีน่านี่ความสงบใจ สกีนัตะหูสะเพนามนี่นหมายถึงความสงบใจจากพระองค์ทำไมเพราะลำพังปฏิกิริยาของของเราที่มันเกิดจากสัญชาตญาณน่ะนะอาจจะไม่สามารถอำนวยความนิ่งความสงบได้ทันทีนอกจากว่าอเราจะส่งมาให้ท่านนบีสลต์ละลลอวะสัลต์ละแนะนำในเวลาเราเกิด ปัญหาวิกฤตทางความคิดเช่น อ, อ, อิมานตกอมานต ก, ตกนา บ, บี บ, บอกว่าเชตตอนจะมาหาพวกเจ้าคนหนึ่งคนใดแล้วก็ถามว่าใครสร้างนี้เราก็บอกว่าอัลลอฮ์แล้วใครสร้างนี้เราก็บอกว่าอัลลอฮ์เชตตอนก็จะถามว่าแล้วใครสร้างอัลลอฮ์นี่อิมานตกเพราะแต่คน ถ้าคนไม่นิ่งน่ะจริงว่ะเออเออเออเออเนี่ยอิมันตกส่วนมากในเยาวชนที่เจอที่เข้าไปแชทไปคุยแล้วก็ไปอ่านหนังสืออะไรเลอะเทอะส่วนมากนี่ก็เนี่ยเกิดจากเี่มันตกมีคนที่ไปหลอกลวงว่ยจริงเหรอกุณอ่านได้จริงเหรอที่มาจากพระเจ้านี่ยจริงหรือเปล่าเขียนกันเองหรือเปล่าเออพิสูจน์ยังไงก็ไม่ดีเรียนอะไรเลยไม่ได้อ่านอะไรเลย นะถูกถูกคว้าเป็นเหยื่อให้พวกนี้ในแค่โปรยพิกไทยเองมันกระแสบแล้วไงไม่ได้อ่าน ไ, ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเออจริงเฮ้ยไม่เอาแล้วเฮ้ยถูกหลอกลวงมานานแล้วเนี้ยนาีบอกว่านี่ถ้าใครใช้ตอนนี้มอหลอกลวงแบบนี้เนี่ย <c oughs> บางรางานบอกว่านาี บ, บอกว่าให้กล่าวอามันตูบิลล่าทนสุตาตาตออัลลอฮ์นี่นี่คือเสาหลักของฉันเนี่ย سأطاني ما ي م ج ن ب ا ن ر ي ن ع ا ن ب ق و َ ة ه ي ْ ن ك ل ه و ا ل ل ه أ ح د َ ن ق ر ا ص د ق ا ن ك َ م ح د ي ث ِ ب ن ِ د ب خ ا ر ي ْ ل م س ل م ي َ د ن ب ي صلى ا ل ل ه ل ل ي ه وسلم ب ق و َ ة َ م ج ت م َ ع ق َ ا م ف ي ب ي ت ِ م ُ م ي ك م ن ن ك م ل ا ي َ ر ُ و ُّ ن ب ا ُ و ج َ ن ْ ب ا ن ُ اللَّهِ يَتْلُونَ ك ِ ت ا ب َ اللَّهِ و َ ن ْ ك ُ ر َ ا ء ً رِكَانٌ و ي ن ت เว้นแต่ความสงบใจเนี ja an, ai, k k an, ่ยมันจะมาอย่างพวกเขาในชีวิตของเราเนี่ยเจอวิกฤตเจอปัญหาอะไรอ่านัวิกฤตวิกฤตชนิดที่แบบว่าพรายาพราก็ช่วยไม่ได้นะฮะทําอะไรอัานคุณอ่านอัานคุณอ่านมันจะช่วยได้ไงอ่ะวิกฤตทางการเงินวิกฤตกับเจ้านายวิกฤตกับภรรยากับสามีในครอบครัววิกฤตยังไงอ่ะอ่านุณอานจะเรา นิ่งมีสติเพรอถ้าเราไม่นิ่งไม่มีสติเนี่ยคิดอะไรไม่ได้เลยนะแล้วบางทีเนี่ยก็คิดทางออกที่เราคิดเนี่ยทําให้พังไป อ, อะ่ะเพราะมันไม่นิ่งไงแต่กุฎานจะทำให้เรานิ่งสงบยามสงขามใครจะมานั่งอ่านกุฎานจะมาอัลลอฮฺก็ทรงประทานความสงบหม่อันจอัลลอฮฺสกินะแต่วอะไรราสู้ลยคนแรกที่ได้รับความสงบใจนี่ แก่รส э ูลของพระองค์วะอะลัลมุมินีนลกะมันดาผู้ศัทธาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นที่หนีที่นีวะอันซะละจุนูดันลัมตะเราะฮาและได้ส่งให้พร่พลลงมาไพร่พลลงมาในสีราะในชีวประวัตินี้คนหนึ่งชาวสะกีฟเนี่ย ที่เคยอยู่ในกองทัพที่เป็นคู่อริในที่ที่สู้รบกับท่านนาบีข้าบอกว่าตอนที่นบีนี่ก่อตัวใหม่แล้วก็มามาสู้กับเราอีกทีหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยเห็นต้นไม้ทุกต้นก้อนหินทุกก้อนทุกก้อ น, กกอนหินเนี่ยเป็นไพ่พลไปหมดเป็นทหารไปหมดกําลังหนีเนี่ยเห็นอะไรนี่ตกใจหมดเลนึกว่าเป็นทหารตกใจหมดจุนูดะเลมตราวฮาซึ่งพวกเจ้า ไม่เห็นพวกมันไม่เห็นดิว่าไม่ علم جنود ربك إلا هو س ر ر ر و ر ไม่ีใครรู้ทหารของพระองค์นอกจากพระองค์นั้น Allah จะให้ก้อนหินพูดก็ได้เหมือนบันทึกของบุคคละมุสลิมวันกียร์มาจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ามุสลิมและยเนี่ยจะต่อสู้กันจนกระทั่งก้อนหินก้อนหนึ่งที่ยูนี่ยมาแอบหลังก้อนอลัก้อนหินเนี่ยจะเรียกมุขมินเนี่ยย่ามุขมินมุขมินมานี่มานี่มานี่มียูนี่แอบอยู่ ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังฉันนี่มาฆ่ามันนี่ก้อนหินมันจะพูดอาหารหอนลรอใชนิดนึ่งคนที่เป็นชาวซากีบเนี่ยหลังจากเขารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาเลยมาเล่าไงแล้วก็เคยเล่าสิ่งที่เขาเห็นด้วยความสัต จ, จริงแล้วอาจจะเป็นใส่แต่เมืเ่อเราอิสลามก็ได้บอกว่าเราหนีแล้วหนีหนีนีนนน่กลัวท่านนาบีและซาฮบานแต่ในขณะที่เราหนีนี่นะไอ้ต้นไม้ไอ้ก้อนหินนี่ทั้งหมดนี่มันกลายเป็นทหารไปหมด ว่าด้วยบรรดานักกัฟรุแล้วได้สงง่งลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธทธาเหล่านั้นลงโทษยังไงอะตายไม่เยอะนะของมุสลิมมานะหน0่0มอสองนคนเสียชีวิตสี่คนของฮาวาสินสกีฟเนี่ยสอ0 0คนเนี่ยเสียชีวิตอะไรเจคนไม่เยอะนะ แต่ก็เยอะกว่าอุสิมเจสิบคนแต่ที่ถูกจับเป็นเฉลยนะน่ะหพคนห0 0ันคนนะ่ะเป็นเฉลยเกือบครึ่งหนึ่งล ห, หนึ่งในสามของกองถับหนึ่งในสแต่ส่วนทรัพย์สินนะ่ะนะอูดนะ่ะยึดหมดแะยึดหมดเงินนะ่ะยึดหมดเลยที่เหลือนี่นะ่ะหนีไปต่อฟิฟเนี่ยตออีฟในต่กอนนู้ น, น, ออนก็มีป้มมี ม, ม, ม, ม, มีมีกำแพง ล้อมล้อมเมืองเขาก็หนีไปอยู่ที่ต่ออิฟกันหมดแสดงว่าเสียหายไหมเสียหายถูกลงโทษไหมถูกลงโทษแค่พ่ายแพ้นี่ก็ถือว่าลงโทษแล้วแต่ที่สําคัญว่าสงครามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่นี้นะพอหลังจากนั้นอับดบีก็เลยเก็บซับเชลเลยเชลเลยศึกเนี่ยแล้วก็ให้มีคนเฝ้าแล้วอบีก็ยกทัพมือสองเนี่ยก็ตายแค่สี่คนนะ่ะยกทัพหมดเลยนะ่ะไม่มีใครไปหมดเนี่ยไปล้อมเมืองต่ออิฟ เรามืองตอยนี่เดือนสองเดือนไม่สําเร็จเสียชีวิตหลายคนพอตอนเข้าไปบุกแต่ละครั้งเนี่ยก็ยิงตันูบ้างยิงก้อนหินกว้างขินบ้างก็มีสหาบบางท่า น, นเสียชีวิตนะบีก็เลยบอกของซาฮอัลน้อมทรงไม่อนุ ญ, ญาตที่จะให้เราได้ชนะในการบุกเมืองตอยหาฮาบาเลยเสนอหมวกเผาเลยเผาเมืองเลยเป็นเรื่องธรรมดาในสงครามใช่ไหม ทั้ก็เผาเลยยิ่งดอ้พนี่มีมีสวนผลผลิตล้อมเมืองไปหมดนบีก็คิดจะเผาเผาสวนไปก่อนพวกดอ้พวกนี่ก็เลยเห็นก็เลยส่งตัวแทนไปคุยขอร้องท่านนาบีด้วยความเป็นเครือญาติเป็นเครือญาติเป็นเครือญาตินู่นลูกหลานนาบีอิสมาอิเหมืนกันเป็นเครือญาติ ด้วยความเป็นเครือญาติขอเถอะอย่าได้อย่าได้เผาท่านบีชนะเราอ่ะนะก็จะเป็นทรัพย์ของท่านแต่ถ้าไม่ชนะนี่ขอร้องอย่าได้เผาเลยที่จริงถ้าเผานี่มีโอกาสที่จะชนะไงแต่นะเบตเสร็จเลยไม่มีอะไรจะกินแล้วนะแต่นาบีก็ยอมยอมยอมเพราะอะไรเพราะการขอด้วยความเป็นเครือญาติเนี่ยในประเพณีของอัลเนี่ยถือว่าเป็นคาสั่งสอนที่ต้องเคารพ แล้วเราพูดีนในคุรานว่าทั้งอัลลอฮ์ที่ที่ท ساء ลนบีฮีและอารหามจงนย์ยมกรีนอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าเนี่ยขอต่อกันเนี่ยด้วยพระนามอัลลอฮ์งารับในเวลาเขาจะบินแลฮีอัสอลลกะบินแลฮีฉันขอด้วยพระนามอัลลอฮ์อันนี้แบบว่าเหมือนบีบังคับเลยอ่ะอ่วัลอารหามขอด้วยเครือญาติอารหามเนี่ก็คือเครือญาต ขอด้วยความเป็นพี่น้องกันนะ่ะขอด้วยความเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะไรเงี้ยเขาจะขอกันแบบเนี้เนาขอเป็นเป็นประเพณีที่เขาอยู่หอมกันนะก็เป็นเคอร์ยา จ, จริงเนาะตอนที่นาีอยู่ที่มักก้าเนี่ถูกรังแกขนาดไหนอ่ะนะถูกรังแกขนาดไหนแล้วก็ บ, บังเอิญก็มีคนมาจาก <c oughs> มาจากตําบลอาลียมามาซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีข้าวสาลีนี่ก็คืออาหารหลักไนงะ โรตีอะไรก็กินกินอาหรับตกอนพวกนะก็กินปลาสุสั์กินเนื้อโรตีขนมปังอะ่ะเขาซาลีนี่มาจากเกยอร ม, ม, มันมาบมงเอิญน่ะน บ, บีจับคนเป็นเชลยเนี่ยชื่อซูมามาอิบเนอะซาลเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องของซูมาหนาะแล้วก็มากักขังที่มสัสยิดของ น, น บ, บีเนี่ยให้เห็นวิถีชีวิตเพอเห็นวิถีชีวิตเนี่ย ก, ก็ถูกมัดอย่างเงี้ยในเสาถูกผูกมัดอย่างเงี้ย ก็กคเห็นซาฮาบ้าเนี่ก็มาแล้วมากันอ่านอ่าอานสามวันนบิให้อาหารมากินอย่างเดียววันที่สามนี่นบีบอกก็ปล่อยจะไปไหนก็ไปยังเป็นมุชลิมนี่ยแล้วก็เขาาตั้งใจที่จะมาฆ่านบีนะแล้วก็ถูกจับมาปล่อยก็ก็เลยไปแอบอาบน้ําแล้วก็มาหาท่านนบีบอกก็ชดวัอเลยเลยคุณสมัยมุฮัซญ์เนี่ยเป็นผู้นําเผ่าเยืมอบวกพวกบันิฮานีฟาแล้วก็พื้นที่เยืเม้าที่ที่ปลูกข้าวสาลี ว่านบีครับผมจะกลับนะแต่กูรเนี่ยจะไม่ได้ข้าวสาลีแม้แต่แมล็ดเดียวจนกว่ามาสยบมายอมให้ท่านานบีพอไปแล้วนี่พวกกูริชสั่งซื้อสเบียงไม่ให้ต้องขอนื้อนบีก่อนวิ่งไปมาดีนา่าเลยส่งตัวแทนส่งมา ด, ดีนาด้วยความเป็นเครือญาตินบีเราตายสิไม่กินไ ม, ไม่มี ไม่มีแปง้งไม่มีขา้าวตายสิคนไทยถ้าไม่มีข้าวลองนึกภาพอ่ะนะไปเซเว่นไม่มีข้าวอะไรเงี้ยไปตลาดไม่มีข้าวมีรู้สึกยังไรอรู้สึกเหมือนนักเรียนนักเรียนไทยเนี่ยเวลาไปเมืองนอกกันนะแล้วก็ไปเจอขนมปังตายเหมือนกันนะ่ะกินขนมปังเดือนหนึ่งอ่งนะนักเรียนกูไม่ใช่นกนะเว้ย เป็นคนไทยต้องกินคนไทยต้องกินข้าวนี่เขาก็เหมือนกันน่ะตายสยไม่มีไม่มีมมข้าวสาลี น, นี่คือตายอ่ะขอเถิดท่านนาบีเราเป็นญาติพี่น้องกันอี่แหละเป็นญาติพี่น้องกันนบีก็ในอันเนี้ยไม่หาแต่นบีก็ที่ต่อที่ตออีฟนี่นบีก็เลิกไม่ไม่ล้อมแล้ะไม่ล้อมเมืองแล้วนะ <c oughs> แล้วบอกว่าไม่ไม่เผาฉันจะกลับพเพราอล้อมในอันเนี้ยให้เราชนะตรงนี้ โอ้นบ oh oh um oh ah ีก ah, oh ็ยมาโอ้ล l l a h a l อมาติบห์มอติบกีฟโอ้ a l ให้สกีฟนี่มาหาฉันมีนบีนี่ยมาหาเขานี่มาล้อมเมืองมาทาสงครามมานบีบอกว่าถ้าล้อมมาเอานี่นฉันไม่ทาอะไรมากกว่านี้ฉันจะกลับมาดีนะแต่โอ้ Allah ให้มันเนี่ยมาหาฉันผ่านไปไม่ถึงปีหนึ่งนะครับประมาณปีที่เก้าที่เราสักรกีฟ ฮาวาซินสักกีเนี่ยก็ส่งตัวแทนไปรับอิสลามที่มดีนะโดยที่ทตานนบีไม่ต้องไม่ต้องทาสงครามว่า ذلكجزاء الكافرين بدلون توت يا الله لون توت س ิ ق ي ف له هوازين เนี่ยเนื่องจากที่เขาท้าทายอัลลอฮ์เราละซุนเนี่ยอัลลอฮ์ได้ส่งลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นและนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ ذ ل ك ج า ا ء ا ل ซึ่งหลังจากสงครามนี้เนี่ยทั้งมุสลิมที่มีพฤติกรรมที่อัลลอฮ์ไม่พอใจก็คือเรื่องหนีสงครามแล้วก็ไม่ไม่ทําหน้าที่ในสงครามเท่าที่ควรหรือกาเฟรเนี่พวกสกีบและฮาวาซินที่มารับอิสลามที่หลังเนี่อัลลอฮ์บอกว่าซุ่มแม่ตูบ al al ah. ุลลอฮฺอุมบาดิสัลิกะอัลมาเยชะและพระองค์ทรงอภัยโทษหลังจากนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีใครรู้คนหนึ่ง ที่เป็นศัตรูพ่ออาจจะอนุญาตให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ศรัทธาที่แข็งแกร่งสำหรับสาหรับสังคมก็ได้บนอุโมงคึกข้ตอบชาวสักีพลหาว่าซินกขเช่นเดียวกันจากสักีพเนี่ยท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้พูดว่าสักีเนี่ยจะมีสคนเลวออกมาจากเผ่าเนี่ย ออกมาจากเราเนี่ยกระแทบบนมวัวมบีรคนอุปลโลกมตทสก็คืออัลมุขตาริบินูเบิดอัลซักฟีคนนี้เนียอ้างตัวเป็นพระเจ้าตอนแรกนี่อ้างตัวเป็นวุลีแล้วที่หลงังอ้างตัวเป็นลูกหลานนบีแล้วที่หลอ้างตัวเป็นเป็นเป็นนบีแล้วที่หลังอ้างตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็ถูกประหารที่หลงังเนี่ยก็ถกประหาร แล้วก็อัลฮะจจาจีอับดุยูซุฟอัลธะกฟีอันนี้เนี่ยก็เป็นผู้ว่าของสมัยบนรอมัยยนอันนี้เนี่ยโหดมากก็เข็นฆ่าลูกหลานซอฮาบะเข็นฆ่าอุลามานี่นับไปท่วนบางคนก็บอกว่านี่เป็นข้อตำหนิของเผ่าสกีฟดีเขามีคนเลวสองคนนี่ที่ท่านนาบีเอ่ยเอ่ยเลยนะแต่เวลาท่านบอกว่าไม่ใช่นั่นหมายรวมว่าสกีฟเนี่ย มีคนเลืวแค่สองคนอพราจริงๆเนี่ยเผ่าสกีบนี่นับเป็นแสนเป็นล้านคนนะนะถ้ามีคนเลือแค่สองคนเนี่ยก็ถือว่าแล้วก็ถือว่าแต้มไม่ไม่ไม่เลวนะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแนนใช้ได้นะเผ่าใหญ่มากปรากฏว่าทิงเพราะสกีบเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้รู้เป็นนักกอรีเป็นนักเรงงานฮะดีสนักรบอย่างเช่นมุฮัมมัดอิบน์กอสิมอัสักกะฟีที่พช อินเดียจากสกีฟเบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่อินเดียเนี่ยเขาเาจะเขาจะยย่องมุฮัมมัดอิบนุลซิมัสกฟเป็นคนที่ออิสลามเข้าไปประเทศอินเดียไปทปากีสถานแล้วก็อินเดียปากีสถานก็งการนก็อินเดียแล้วอัลลลลอฮฺลลออลอฮัลลอัลลอฮัลลอฮฺอัอฮอัลลอฮฺอัอ เราไม่รู้หรอกว่าถ้า Allah, อัลเลอภัยใครเลยจะให้เขาเปลี่ยนแปลงยังไงเนื่องจากความอภัยโทษจากอัลเลาะยะซรอนีลาสุดนี่ได้แนะนําข่าวของคนอเมริกาที่อเมริกาที่มีโรคอิสลามโฟเบียกลียดอิสลามเกลียดอเอินบ้านเข้าอยู่ใกล้มัสยิดมุสลิมด้วยเห็นมุสลิมเดินไปเดินมาได้ยินเสียงอะซานอของเข้าเลย ก็เลยเตรียมระเบิดใส่ที่สะพายเป้แล้วก็ไปแอบจะไปวางระเบิดวันศุกร์หลังมัสยิดเขาไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอมุสลิมส่วนมากกนะันในมัสยิดนั่นนะ่ะก็เป็นมุสลิมใหม่ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไงคือที่นู่นนะ่ะเขาจะเห็นเลยนะว่าคนที่รับอิสลามจะเปลี่ยนแน่นอนอาเชียกรที่อยู่ในคุกนะ่ะเพราะพวกผิวดําเนี่ยพอรับอิสลามนี่ก็เป็นคือ ตัวไอ้ตัวเงินตัวทองนี่กลายเป็นพิราบไปเลยอะ่ะคือจะโจรโจรป้นขายยาเสพติดอะไรเนี่ยพอเข้าคุกแล้วก็รับอิสลุมลิมกลายเป็นพิราบไปเลยอะ่ะเขาเห็นถึงเห็นอิทธิพลเนี่ยในคุกเนี่ยยอมเลยนะมุสลิมใครเนีมาเนี่ฉันขอไปบรรยายกับเฮ้ยจะมีมุสลิมอยู่สองคนเออกูอยากจะบรรยายได้เขาเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าคนข้างในเนี่ย ถ้าเขาเบียนเป็นมุสลิมมานะบริหารง่ายเพราะเจะสงบรับอิสลามก็สงบส่วนมากที่ที่รับอิสลามใหม่อะนะพอเห็นไอ้ไอ้หมอนี้มันถือมันถือระเบิดแต่เขาไม่รู้ไงว่าว่ากลังจะจะระเบิดมัสยิดเขานี่กว่าเป็นคนใหม่กาลังกำลังจะมาดูอิสลามเป็นยังไงเออเลยต้รับอินดีต้รับยินดีต้รับเชเลยคับเชลยคับแต่ท่านต้องถอดรองเท้าคนนก็เลยก้ม ก็ตอนรองเท้าให้เขาแล้วก็เฮ้ยอะไรเนี่ยมาจะมาระเบิดมัสยสิดหรืมาเจอท่านี้นี่ก็งายเลยอะ่พะพอเข้าตอนนับยังดีเลย